Book 2ูหกสิบสาม s t t r e การตั้งคาถามสอง still s p r s m å l 2ดิฉันมีงานอดิเรก j า g h ี r en h o ิเรกดิฉันเล่นเทนนิส nai, ันนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะบูร์ฟินสเต็นเทนนิสบานาคุณมีงานอดิเรกไหม h a ดูเอ็นฮ b บบีดิฉันเล่นฟุตบอล l ัสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ a ดิฉันเจ็บแขนแขนของ n ันไม่เวิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย foten o า h ละข้อมือของฉันไม่เวิมีคุณหมออยู่ไหมคะทดิฉันมีรถยายหอบรถ ดิฉันมีจั ก, กรยานยนต์ด้วยย้หาร motorcycle ด้วยดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะวุ er ่นร์อรท er. ี่หนึ่งี่หนึ่งที่หนึรงที่หนงที่หนึี่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึงทีหนึ่งทีนึ่งทนงทีนงีนึ่งที่งน เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะวุ่นอะไรดีนวาสเก่ะชินดิฉันมีจานฉันมีมีดซ่อมและช้ฉันมีมดซ่อมและช้อนฉันมีมีดซ่อมและช้อนฉันมีมีดซ n อมและช้อนฉันมีมีดซ่ช เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ